วันนี้เป็นวันที่20ตุลาคมพุทธศักราช2555วันนี้หลวงพ่อมีพระธุระที่เมื่อฉันจังหันเสร็จเรียบร้อยแล้วหลวงพ่อคงจะได้ออกเดินทางไปจังหวัดนครพนมที่เขาในมวลมานมนานนล้วเ น, นีมนมลมาเกือบเป็นสองเดือนแล้ว หลวงพ่อก็รับนี่เป็นงานขานะี้คงจะเป็นงานใหญ่พอสมควรเขาบอกว่าปฏิบัติบูชาลาพันษาที่พระธาตุพนมพุทธศิยันตี 2,600 ปีแห่งการตัดสรุวันที่21ตุลาคม2555นะแล้วก็มีการแสดงธรรมมีพระ เกือบสิบรูปนะแต่หลวงพ่อเนี่ยเป็นองค์ที่สามองค์ที่หนึ่งเจ้าคณะภาคสิบองค์ที่สงองรองประธานสงสปปลาวเนะีรองประธานสงฆ์ก็คงจะเป็นรองสมเด็จพระสังฆราชมั้งประเทศลาวองค์ที่สามเจ้าคณะจังหวัดนครพนมองค์ที่สี่เจ้าวาดวัดหนองป่าพงองค์ที่ห้าเนี่ย หลวงพ่ออินถวายวัดป่านาคำน้อยหลวงพ่อเทศช่วงประมาณสักหนึ่นงทุ่มวัดเนี่ยติดนครพนมอะในมลหลวงพ่อเทศโพเทศจบแล้วหลวงพ่อก็คงจะลงไปกราบหลวงปู่จามพอไปใกล้แล้วนานน่ะไม่ได้ไปกราบหลวงป่อา น้นไปเขานี้ก็ไปใกล้แล้วก็น่าจะไปพักกับท่านหลวงอาหลวงปู่จามจากนั้นก็วันที่21ก็คงจะกลับวัดเพราะมีภาระธุระมากอยู่ในวัด น, นะประจวนจะออกพรรษาแต่วันนี้เมื่อออกไปจากที่นี่หลวงพ่อก็คงจะไปที่อุดรแวะที่อุดรก่อนวัดโพธิสมพร ทราบข่าวมาว่าคุณพรสวรรค์นะที่เป็นทุกศิษย์ของหลวงตาได้จากไปแล้วนะเมื่อวา น, นในมรณะภาพที่โรงพยาบาลศูนย์มะเร็งทุนกระหม่อมพ้าหญิงน่มรณะภาพที่โรงพยาบาลนั้น่ะเมื่อวานนี้แล้วก็ได้เคลื่อนย้ายศพมาถึงอุดรเมื่อคืนนี้นเดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่ที่วัดโพธิสมพร หลวงพ่อก็ในานามสิทธิ์ลูกหลานขององค์หลวงตาคุณพรสวรรค์ก็รู้จักกันมาตั้งแต่นมนานที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาหลวงตาเพราะนั้นเมื่อใครจากไปก่อนพ่ออยู่บ้างหลังก็เออเอาไปแสดง อ, ออกไปช่วยกันไปชมเพลิงหรือเผากันลักษณะอย่างนั้นแ่ะ จะทํำยังไงได้แต่อายุของเขาก็น้อยกว่าหลวงพ่อหน่อยหนึ่งนะเขาเรียกหลวงพ่อเรียกหลวงพี่สมัยนั้นอายุห่างกันน่าทั้งหกสิบกว่าปีแต่ก็ป่วยมานานป่วยมาก่อนหลวงตาหลวงตาจะจากไปก็เพิงมาจากไปเมื่อวานนี้คงจะเก็บศพไว้ไม่นานฟังฟั ง, ฟงพี่น้องพูดนะเพราะคงไม่มีภาระอะไร ก็คงจะประชุมเพลิงในเร็ววันก็คงจะไม่นานวันนั้นวันนี้หลวงพ่อจะได้ออกไปนี่ก็คงจะไปแวะงานศพซะก่อนจากนั้นก็คงจะเลยไปนครพนมในละมาคิดก่อนหน้านี้หลวงพ่อก็จะไปเยี่ยมป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์จุฬาภรศูนย์มะเร็งจุฬาภรณ์ แถวๆเนี่ยลังสิตเนี่ยโอ้รงพยาบาลใหญ่หลวงพ่อไปเยี่ยมก็ยังพูดได้อยู่พอไปครั้งที่สองเนี่ยก็อาการหนักมากแต่ก็อยากจะพูดด้วยแต่พูดไม่มีเสียงแต่ว่าตามองแต่ก็พูดแต่ไม่มีเสียงแต่ถามหมอหมอบอกว่าคนเรานี่นะ ก่อนที่จะจากไปเนี่ยตาจะมองไม่เห็นาตาจะมองไม่เห็นแต่ลิ้นเนี่ยจะหดพูดไม่ได้แต่อยากจะพูดพูดไม่ได้แต่หูได้ยินนะเข า, าหูเนี่ยได้ยินนะ เ, เพราะนั้นหูเนี่ยยังถ้าจะว่าไปตาตาหูจมูกลิ้นกายเนี <g> ่ย <ai> ตาเนี่ยไปก่อนอหูเนี่ยคงจะไปที่หลังเพื่อนนะ เออต้องได้ยินได้ยินใครพูดอะไรได้ยินโอหไปที่หลังฮะนี่แหละสรุปแล้วก็คือคนโบ ร, โบราณเขาพูดขึ้นมามนุษย์ของเราเนี่ยเหมือนเหมือนกับละครโรงใหญ่มนุษย์ของเรามาพิจนารณาดูก็จริงๆอย่างนั้นจริงๆน ะ, ะแต่ละคู่แต่ละคน ออกมาแสดงเหมือนกับตัวละครตัวนั้นแสดงเรื่องนั้นตนี้นแสดงเรื่องนี้แต่หลวงพ่อเนี่ยถ้าจะเปรียบเทียบกบเหมือนแสดงเป็นลือสีเอเป็นลือสีออกมาแนะนำสั่งสอนคู่คนแล้วก็ให้ธรรมะแล้วก็ บ, บาเพ็ญตะปะอยู่ในป่าดงพงไพแต่ละคนก็ออกมาผู้หนึ่งเป็น เจ้าฟ้าคนหนึ่งเป็นขุนนางคนหนึ่งเป็นเสนาเป็นหนึ่งคนหนึ่งเป็นกะหะบอดีลักษณะอย่างนั้นแหะตัวละครจากนั้นก็ต่างคนก็ต่างเก็บฉากเมื่อจบละครไปแล้วคนนั้นก็เก็บคนนั้นก็เก็บห า, หายเงียบไปเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันดูดูแล้วก็พวกเราในสังเกตดูซิครูบาจาร์ของพวกเรา แต่ถ้าท่านแต่ละองค์แต่เมื่อท่านยังทรงทา่าทรงขันอยู่ท่านก็แนะนําสั่งสอนพี่นอ้องประชาชนศรัทธาญาติโยมเป็นที่ประจักษ์แก่พวกเราท่านทั้งหลายได้รู้ได้เห็นแต่บัดนี้ท่านเหล่านั้นไปไหนเหตท่านเก็บฉากของท่านแล้วนี้ก็เหมือนกันหลวงพ่ออีกสักวันหนึ่งข้างหน้าก็จะต้องเก็บฉากกิ่เหมือนกันพรอนั้นใครก็ตาม ถ้ามาจริงจังจิงใจกับโลกนี่จนเกินไปหลวงพ่อว่ามันกระทุกเหมือนกันนะ อ, อถ้าว่าโกรธให้ใครเนี่ยก็นะจะไปถล่มเขาจะไปฆ่าเขาให้ได้แต่พอฆ่าเข้าไปตัวเองกับเป็นนักโทษ อ, อก็เป็นนคร อ, อีกมุมหนึ่งเป็น น, นคร อ, อีกมุมหนึ่งคือจะต้องจับเข้าไปไว้ในกองขังฮแต่คนนั้นก็ถูกฆ่าแล้วก็ตายไปฮนี่แหละ อันนี้ก็คอือสรุปลงมาแล้วก็เราอยู่ในโลกเราต้องพยายามให้รู้จักการสถานที่บุคคลเราไปอยู่สถานที่ใดเราต้องศึกษาหรือเรียนรู้การสถานที่บุคคลถ้าเรารู้จักวางการวางตัวคือตัวละครเราจะอยู่ในในสถานะไหนก็ให้รู้จักสถานะของตนเอง ถ้าเรารู้จักวางตัวเราไปอยู่นัสถานที่ใดในยุคใดสมัยใดมีแต่ความราบรื่นเรียบร้อยจะไม่มีปัญหาแต่ถ้าเราวางตัวไม่ถูกไปเล่นในตัวละครจริงจังจนเกินไปจนวงแตกก็เลยวงนั้นก็เลยหาความสงบสุขไม่ได้แต่ถึงยังไง อันนั้นก็คือตัวละครแต่ตัวจริงๆเถอนี่ยอย่างพวกเราท่านทั้งหลายตัวจริงเนี่ยนี่แหละตัวจริงการดำเนินชีวิตถ้าเราขี้เกียจขี้คล้านไม่อยู่ตามทำนองไม่รู้จักการบริหารจัดการกับตนเองเราก็ทุกจริงๆเถอตีตัวละครเขาก็จำลองจำลองพวกเราเอาไปเป็นตัวแสดงแต่ถ้าไม่จริง ตัวเราจริงๆเออมันไม่ใช่ตัวละครตัวที่ออกไปแสดงพอแสดงจบแล้วก็จบไปแต่ว่าตัวจริงของเราเนี่ยเราจะดําเนินชีวิตอย่างไรในหลักของพระพุทธศาสนาต้องเราต้องใช้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นกระจกเงามาเป็นแนวทางการดําเนินชีวิตของเราใช่ร่างกายของเราเนี่ยเราจะต้องเลี้ยงจะต้องดูแล จะต้องประครบประงมเมื่อเราเกิดมาแล้วพ่อแม่เลี้ยงสมัยเป็นเด็กดูแลพวกเราแต่เมื่อเราเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาพอช่วยตนเองได้เป็นระดับระดับขึ้นมาสมัยอยู่ในพ่อแม่ก็เลี้ยงตัวเองได้ในระดับหนึ่งอาบนา้ำอาบท่าจอยู่ทานไม่ให้เป็นภาระของพ่อแม่แต่ต่ากว่านั้นลงไปแอบเบานะพ่อแม่ก็จะต้องดูในระดับหนึ่ง พอใหญ่ขึ้นมาพ่อแม่ก็ต้องปล่อยไว้ในระดับหนึ่งพอเป็นหนุ่มเป็นสาวพ่อแม่ก็ต้องดูในอยู่ในระดับหนึ่ ง, งคือประครบประหงดูแลแต่พอมาพีครอบครัวมีฐานะขึ้นมาพ่อแม่ก็เบาใจขึ้นมาในระดับหนึ่งแต่พอถึงจะเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เถอะมีครอบมีครัวความห่วงใยของพ่อแม่นี่ย เดีมันหมดไม่เป็นจนพ่อแม่ร่วงรับดับขันตายไปจึงหมดภาระนีแต่ตามไม่จริงเขาไม่ให้เป็นภาระหรอกแต่พ่อแม่มันอดไม่ได้ที่เป็นพ่อแม่ถึงเขามีครอบมีครัวแล้วก็เถอะเขาก็ต้องมีอีกในระดับหนึ่งแต่บางคนก็อย่างว่าเหมือนกันถ้าเขาไปเที่ยวกับหมู่กับเพื่อนสนุกสนานกับหมู่กับเพื่อนเป็นผู้ใหญ่ พอเข้ามาหาพอ่อหาแม่เน่ยเป็นเด็กอย่างนั้นก็มีเหมือนกันนะถ้าไม่จริงถึงจะเป็นเด็กใช่เราอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นเด็กแต่ว่าเป็นเด็กเป็นเด็กกับพ่อแม่ก็ต้องดูว่าพ่อแม่มีความต้องการอะไรมีมีประสงค์อะไรที่จะให้เราช่วยเหลือพ่อแม่อันนี้ก็คือพวกเราจะต้องดูใน ม, มนุมนึงอีกเหมือนกัน แต่ทั้งนี้เมื่อพวกเราอยู่ เ, เป็นการดำรงชีพของพวกเราอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเบื้องตน้นว่าการดำรงชีพของพวกเราเนี่ยเราจะวางตัวอย่างไรเนี่ยถ้ว่าพวกเราเมื่ อ, เ, อเป็นหนุ่มเป็นสาวมีครอบครัวขึ้นมาการต่อเ น, นี้ไปเราก็เริ่มนะ เ, นเริ่มสสแสวงหาทรัพย์เพื่อเลี้ยงชีพเพื่อเลี้ยงครอบครัว เพื่อสร้างฐานะตัวเองเราจะทํำยังไงปกักกัดตีนถีบทุกอย่างถ้าว่าบางคนก็ถ้าไร้คุณธรรมศีลธรรมไม่มีศีลธรรมในจิตใจก็นั่นทั้งคตทั้งโกงทั้งป่น ท, ทั้งกี้ทั้งเบียดทั้งบงังอันไหนที่จะมาเป็นของตัวเองอันนี้ก็คือผู้ที่ขาดคุณธรรมศีลธรรมจะริยธรรมในใจแต่ถ้าว่าผู้มีคุณธรรมศีลธรรมจะริยธรรมในใจถึงจะส่แสวงหา ทรัพสมบัติยศถาบรรดาศักขนาดไหนก็ยังมองศีลธรรมของพระพุทธเจ้ายังกลัวบาปจุ่น่ะถ้าเราออกทําออกนอกตูนอกทางเนี่ยกลัวบาปแต่พวกกลุ่มหนึ่งอีกไม่กลัวเพราะเขาจงพันให้ได้มากันแล้วกันจะให้ผิดกฎหมายกันแล้วกันถ้าผิดกฎหมายตัวเองกลัวเข้าคุกเข้าตารางแต่ถ้าหาว่าไม่ผิดกฎหมายเรียกว่ามองกฎหมายเอาไม่ถึงถึงจะผิดกฎหมาย แต่กฎหมายเอาไม่ถึงตัวเองก็นั่นแหละทำถึงนั้นได้แต่คนที่บางคนถึงจะใครไม่เห็นก็ตามแต่ว่ามันผิดศีลธรรมผิดกฎหมายบ้านเมืองเราก็ไม่ไม่ยอมทำอันนี้ก็คือยังมีคุณธรรมในจิตใจอยู่แต่ถึงยังไงการ ส, สแสวงหาทรัพย์ถ้าเรามาประมวลดูให้ดีทีนี้ถ้าประมวลดูให้ดี ถ้าว่าเราสิ่งไหนก็ตามที่มันมันมันไม่ถูกนะมันไม่ถูกเราก็ไม่ควรจะทำสิ่งนั้นควรจะเพ่าๆ ล, ลงเพราะชีวิตของเราเนี่ยเราจะหาให้ใครในเมื่อหาให้เราเราเพียงพอไหมเพียงขนาดนี้พอเลี้ยงชีพของเราถ้ามันเพียงพอแล้วเอาได้สักสี่ห้าสิบล้านร้อยล้า น, นมันน่าจะเพียงพอน่าจะหยุดไม่ใช่ว่าเราจะหาจนไม่ไมรู้ไม่รู้มอง ไม่มองใครเลยใอ่ผลในสู่กันหาเพื่อลูกเพื่อหลานอีกแต่ตามไม่จริงท่าลูกหลานของเราถ้าเขาเป็นคนดีมึงก็ดีไปถ้าเป็นคนไม่ดีแต่เนี่ยเราหาไว้แทบล้มแทบตายเพื่อจะให้เป็นกองมะะรดกออพอเขาใหญ่ขึ้นมาถลุงเลยตเนี่ยเอามาใช้ไอ้หลุยชุยแชกไปหมดท่เนี่ยทั้งที่ตัวตัวเองก็หาแต่ตัวเองโ อ, อ, อ้กินก็มากลดากินใช้ก็ไม่กา้ใช้ทะนุถนอม เพื่อให้เป็นสมบัติของลูกผลในสุดลูกเข้าขึ้นมานะเขาถลุงเลยถึงเขาไม่รู้จักคุณค่าอันนี้ก็มีมากต่อมากเหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งไหนก็ตามขนาดไหนเนี่ยเราจรึงจะวางให้วางตัวให้ถูกต้องจะไม่ให้มันทุกตัวเองจนเกินไปนี่แหละสิ่งเหล่านี้่การวางตัวแหละถึงมาพูดถึงการวางตัวเราส่อแสวงหายอย่างไรถึงเราจะส่อแสวงหาทรัพย์ให้ร่ํารวยมากมายขนาดไหน มาเลี้ยงร่างกายเออมื้ออาหารดีขนาดไหนมาเลี้ยงร่างกายเสื้อผ้าราคาแพงขนาดไหนมาสวมใส่ร่างกายยาดีขนาดไหนที่ว่ายาที่ว่า ด, ดีที่สุดบำรุงดีที่สุดเออยาดีขนาดไหนเภสัชดีขนาดไหนหรือว่าสร้างบ้านเรือนโออาหรูหราขนาดไหนให้ร่างกาย แต่ร่างกายนันก็ยังเป็นอื่นอยู่เสมอเนยอันนี้ใช้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นมากระจกเป็นมาเป็นกระจกเงาแล้วนะท่านใ อ, อมาเป็นบรรทัดฐานและมาเป็นกระจกเงามาเป็นแนวทางนะถึงสักปัจจัยสี่จะรู้หลาสมบูรณ์ขนาดไหนแต่ร่างกายของเราก็ยังเป็นอื่นอยู่เสมอพอเลี้ยงเข้าไปปีนี้ก็แก่ขนาดหนึ่งปีหน้าก็แก่แก่ไปเรื่อยฮย <H> um> ทีแรกก็เห็นผม งอกผมขาวตีลด้เส้นสองสามเส้นผลในสุดก็ขาวทั้งศีสายตาก็ฝ่าวฟางหูก็ตึงพอในสุดก็ถึงจุดจบอันนี้ก็คือเลี้ยงร่างกายเลี้ยงได้จบเพียงแถวเท่านี้เพราะฉะนั้นการที่ท่าว่าเรามองให้ทะลุในการเป็นอยู่ถึงจะเลี้ยงขนาดไหนก็เถอะเลี้ยงร่างกายมันก็มันถึงจุดจบลงได้เพียงเท่านั้น ต่นี้ในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าอะร่างกายเนี่ยมันใช่เลี้ยงร่างกายเนี่ยมันจบถึงจุดจบได้มันมีป่ายช้าได้นะร่างกายแต่ใจคือนามธรรมเลคือตัวผู้รู้คือนามธรรมที่พระพุทธเจ้าไปค้นคว้าเนี่ยไปศึกษายี่หกปีก่อนที่จะได้ตัดสู้เนี่ยไปนั่งสมาธิทำใจให้สงบนั่งขัดสมาธิตำใจให้สงบท่านยังรู้ราวะ กายกับใจเนี่ยเป็นคนละอย่างกันหนึ่งคือร่างกายเนี่ยก็คือเหมือนกับรถเนี่ยแต่ใจหนึ่งเหมือนกับคนขับรถที่หลวงพ่อเปรียบเทียบให้ฟังไดนะ้ท่านพระพุทธเจ้าท่านเนี่ยตัวใจตัวผู้รู้เนี่ยตัวนี้แหละสาคัญเลยนะท่านมองเห็นตัวนี่แหละสาคัญตัวนี้ไม่ตายเออตัวนี้ไม่ตายพอร่างกายมันเท่าแก่ชราหมดสภาพเหมือนกับรถมันหมดสภาพ คนขับรถก็ต้องออกจากรถไปซื้อรถคันใหม่ไปเปลี่ยนรถคันใหม่แต่ว่าคนที่ไปเปลี่ยนรถคันใหม่นั้นเขามีทุนไหมถ้าเขาไม่มีทุนเขาไม่มีเงินเราจะเปลี่ยนรถคันใหม่ให้ดีเหมือนเก่าไม่ได้หรือให้ดีกว่าเก่าไม่ได้เพราะอะไรเพราะเขาไม่มีเงินเขาจะต้องลดฐานะของเขาลงไปแต่ก่อนเขาอาจจะใช้รถดีแต่ต่อพ่อออกจากภพนี้ชาตินี้ไปแล้ว อาจจะไปใช้รถที่ราคาต่ากว่าเรวกว่าเพราะเหตุดเพราะว่าในขณะที่เขายัางมีชีวิตอยู่เขาไม่ได้ขนขวายเขาไม่ได้ตั้งใจทำงานหรือเขาไม่ได้หาทุนทะครับสรุปแล้ว ค, คือเขาไม่เชื่อไม่เชื่อว่าตายแล้วเกิดคิดว่าอยู่เป็นวันๆไปเพราะไม่มีการใส่ใจในเมื่ออีกวันหนึ่งเมื่อรถคันนี้หาย เมื่อรถ น, นี้หมดสภาพแล้วเขาจะหาเงินซื้อรถคันอื่นได้อย่างไรเพราะเขาไม่ได้เตรียมตัวเอาไว้ในหลายสิ่งเหล่านี้พวกเราต้องศึกษาต้องศึกษาในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านอยู่ปาดงพงไพ่ท่านแนะนําสั่งสอนลูกหลานคณะพวกเราท่านทั้งหลายต้องศึกษาในจุดนี้เพราะหลักของพุทธศาสนาท่านให้ให้ความสําคัญเรื่องของใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้า สำเร็จแล้วด้วยใจแต่ใจตัวนี้แหละมันมองไม่เห็นมันเป็นนา ม, มธรรมแต่พระพุทธเจ้าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือหลักของพระพุทธศาสนาเนี่ยท่านให้ความสำคัญเรื่องของใจมาในอันดับหนึ่งทีแรกพระพุทธเจ้าท่านไปบาเพ็ญอยู่ในป่าท่านก็ไปทรมานกายคิดว่ามันเรื่องของกายเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เพราะท่านไม่ได้มองใจ จากนัานท่านก่อนอดพักกายหารถึงสี่สิบเก้าวันทรมานกายมีห ล, ยหลายอย่างคล้ายๆว่าทรมานรถนะ่เอโซเฟอร์นะไปทรมานรถเออไม่ไปมองดูแต่รถอใส่น้ำมันให้น้อยเลยสิมันวิ่งได้ไหมใส่น้ํามันมากๆมันวิ่งได้ไหม<อ>ดูสิมันเป็นยังไงท่านไปบปําเพ็ญอยู่หกปีไปมองดูดูรถนะ่ะเออ ทั้งอดภักยาหารทั้ง49วันใค่อยๆขว่านทดลองทดลองกําลังของรถเนแต่ที่ไหนได้พอท่านรู้มากเที่ยโอ้โหมันรถมันมันเป็นมันเป็นเรื่องอีกส่วนหนึ่งมันคนขับรถเนี่ยสำคัญกว่าเที่ยคนขับรถเนี่ยสำคัญกว่ารถมันจะดีแล้วไม่ดีเนี่ยมันจะมีเป็นยังไงมันกับเกี่ยวกับคนขับรถต่างหากถ้าคนขับรถนิสัยดีได้รับการอบรมศึกษาที่ดี เมื่อขับรถไปรถก็จะไม่เหยียบคู่เหยียบคนชนคู่ชนคนไปในถนนหนทางเรียบร้อยมันค่อยไปรู้จักแกก็ไม่ไม่บีบดะไปเพราะอะไรเพราะคนโซเฟอร์นิสัยดีก่อนที่จะใช้ตแตรก็ให้รู้จักกาละเทศะการสถานที่บุคคลควรจะบีบใช้ตแตรอย่างไรแต่คนไม่มีนิสัยไม่ดีโซเฟอร์ไม่ดีบีบดะไปไล่ดะไปหมดนะ เออเพราะเห็นอะไรแหนก็คืออะไรก็ ค, คือวาจาเนี่ยก่อนที่จะพูดอะไรออกไปต้องคิดซะก่อนเมื่อเราคิดแล้วไม่กระทบกระเทือนคนอื่นเขาังค่อยพูดหรือพูดไม่รู้จักกาลเทศะเราก็ต้องอดไว้ก่อนจะไม่พูดเหมือนเราจะไม่ใช้ตรรัร์อย่างนั้นล่ะนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านไปค้นคว้าศึกษาอยู่ที่โคนต้นโพนัจากท่านท่านศึกษ า, ากายกับใจใจกับกายแต่นี้ตัวใจนี่ล่ะ ่งที่จะพาไปเกิดในภพภูมิต่างๆแต่ทำไมมันจึงเกิดพระพุทธ <Yeah. S 1> เจ้าไปค้นคว้าศึกษาทาไมจึงเกิดท่านก็ใช้ตปธรรมคือศีลสมาธิปัญญาสัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องต้นสมมาสมาธิเป็นจุดท้ายการกรองไตรตรองดูใจใจมาจากไหนมาเกิดทำไมมันจึงมาเกิดเกิดเพราะอะไรทำไมมันมีเชื้ออะไรนี่แหละท่านค้นคว้าศึกษาในวันนั้นนะ จ่นใช้ตประธรรมคือศีลสมาธิปัญญาเป็นเครื่องขัดซักฟอกใจจนใจรู้แจ้งเห็นจริงชำระใจออกจากกิเลสราคะโทสะโมหะจิตใจบริสุทธิ์หลุดพ้นท่านจึงได้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ น, นี่แหละขอให้พวกเราลูกหลานคณะสัทธาญาตโยมทุกคนนะหลักของพระพุทธศาสนาเนี่ยท่านให้ความส่งขัญเรื่องใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้า จุดนี้เราจะรู้ได้ยังไงไม่มีทางที่เราจะนึกนิดคิดนั่งเดาออเฉยๆไม่ได้ต้องนั่งสมาธิเท่านั้นเพราะฉนั้นครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาท่านจึงเข้าอยู่ปา่าโดงพงไปหาที่สงบสงัดแล้วก็นั่งภาวนาดูใจค้นตนเองจึงจะเห็นได้ชัดนะเมื่อจิตใจรวมสงบลงไปแล้วเห็นได้ชัดกายกับใจอาศัยกันไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันร่างกายนี่แตก อย่างที่คุณโยมที่หลวงพ่อได้พูดเนี่ยอีกไม่นานเน่ยเาก็จะประชุมเพิงเผาและแต่ใจคือนามธรรมนั่นะ เ, เขาได้บาเพ็ญอันไหนไว้ใจตวงนั้นน่ะจะไปปฏิสนธิไปเกิดในภพภูมิอ่ไหนใจตรงนั้นก็จะออกไปจากร่างไปกาอปฏิสนธิในภพภูมิต่างๆไปสู่สวรรค์ชั้นพา่าถ้าวัดท่าน ต, ตัดกิเลสได้ก็ได้เป็นพระหันอย่างพระพุทธเจ้า ท่าชําระใจของพระองค์ท่านก็จะเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อใจได้เป็นพระพุทธเจ้าร่างกายก็จะเป็นพระพุทธเจ้าด้วยศาสนาก็เป็นศาสนาของพระพุทธเจ้าด้วยบริษัทบริวารทั้งหลายก็เป็นพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าด้วยอันดับแรกก็คือพระพุทธเจ้าชําระใจของพระองค์ก่อนใจของพระองค์เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณสิ่งอื่นก็เป็นไปตามเพราะท่านใจเนี่ยสำคัญนะ ใจในี่ยสำคัญใจเป็นหัวหน้านีต่อนนี้ไปคณนะสงฆ์อนุมโมทนาให้พร